หนุสุละติกะสิบเอ็ดปริตตะติกะสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิซึ่งเป็นปริตตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปริตตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏปิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤึซึ่งเป็นมหาคตะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นมหาคตะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอภปมานะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอภปมานะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจมีเก้าวาระละถึงวิปากาปปะใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอปปมานะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจใจย่อเหตุตุปปัจใจมีหกวาระละถึงวิปปะปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระหนึ่งกุศลตุกะสิบสาหินนตุกกะสิบเจ็ด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นช um yeah, mm. ั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริซึ่งเป็นชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ อาทิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นชั้นประณีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นชั้นประณีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอาเัวณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระหนึ่งกุศลตึกะสิบสี่มิจฉาตะนิยตตึกะสิบแปดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่เอเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิปซึ่งไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้น อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งกุศลตะิกะสิบห้ามัคคารมณะติกะสิบเกสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมักเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมักเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีมรรคเป็นนิทิปดีอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหกวาระหนึ่งกุชละติกะสิบหกอุ ป, ปนนติกะยี่สิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยแค่สมาชภาพธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นโดยอารมณ์ปัจจัยยอ่ออารมณ์ปัจจัยมี18วาระอธิปฏิปัจจัยมี9วาระอุปะนิจญาปัจจัยมี18วาระ1กุศลตะกะ 17-18 อดีตตะกะทะวยะ21สมาชภาพธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันโดยธรรมะปัจจัยย่อธรรมะปัจจัยมี18วาระอธิปติปัจจัยมีสิหวาระอนันตระปัจจัยมี16วาระสมานันตระปัจจัยมีสิหวาระอุปาเนสยปัจจัยมี18วาระนัตถิปัจจัยมีสิหวาระวิคตะปัจจัยมี16วาระ 22. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต ซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้เนเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีอานาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ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 กุสลตึกกะสิบเก้าถึงยี่สิบอาชะตาติกกะทะวยะยี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารมณ์ปัจจัยย่ออารมณปจจมรป์ปัจจัยมีสิบแปดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบหกวาระอุปเาเสสยปัจจัยมีสิบปดวาระปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยระมณะปัจจัยย่ออารมณะปัจจัยมีสิปดวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอุปานินสยปัจจัยมีสิบปดวาระปเรชาตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีธรรภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งกุศลตถรกะยี่สิเอ็ดสนิทัศนะเึกะยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิสึงเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เป็นอภพยากฤิตซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศสและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหกวาระยสิหสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ์ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดเพิ่เพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระ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 เทนเะเถระหนึ่งกุศลติกะ27สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นมพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยทุกขมกสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นมพระเหตุตุปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมบุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุด้วยทุกขโมกขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมพยุด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุด้วยทุกขมสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสองวาระผู้นักพึงทำทั้งสี่วาระให้เป็นอย่างละสองวาระย่อเหตุปปัจจัยมีสิบสี่วาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีสิบสีวาระไม่มีวิปากยี่สิบแปสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมยุญด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เทถุปัจใจมียี่สิบเอดวาระและถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิเอดวาระไม่มีวิปาสยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่มีสัมพยุทธิ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่สัมพยุทธิ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเป็นอภิยากฤิตโดยระมณะปัจจัยอาระมณะปัจจัยมีสิบสี่วาระอธิปฏปิปัจจัยมีสิบสองวาระอานันตระปัจจัยมีสิบาวาระ อุปาณิสยาปัจจมียี่สิบอดวาระกรมปัจจัยมีสิบเจดวาระนัตถิปัจจัยมีสิบสามวาระวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสาวิปากติกะหนึ่งกุศลติกะสาสิสภาวะธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิปากซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจัจมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเป็นอภิากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปาก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 และเป็นอามณรของอุปาทานซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหสังกิเลถ ะ, ะลิกะหนึ่งกุศลถะิกะสามสิบสองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทาให้เศร้ า, ม, ามองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นกุศล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 เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสไม่ <conna> ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ หกวิตกะติกะหนึ่งกุศลตดึกะสาสิบสาสภาวธรรมที่ม kind of ีทั้งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบห้าวาระสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นอพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ ที่ปฏิปัจจัยมีเจ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระเจ็ดติติึกะหนึ่งกุศลถึกะสามสภาวะธรรมที่โสหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบแดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบดวาระ สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี28ดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี28ดวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นนพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นนพยากฤิตโดยระมณะปัจจัย Yo, จจย่ออรมณ์ปัจจัยมี28วาระอธิปติปัจจัยมี28วาร ะ, ะอนันตร์ปัจจัยมี28วาระละถึงอุปาณิสยาปัจจัยมี28วาระกรรมปัจจัยมี24วาระนัตติปัจจัยมี28วาระอวิคตาปัจจัยมี28วาระ8ทัศนติกะ1ปุสาติกะ35 สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระกลาทัศนะเหตุติกะหนึ่งกุศลติกะสามสิบหกสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมาณะปั จ, จัจมีเก้าวาระอธิปฏิปั จ, จัยมีหกวาระและถึงอวิคตตปั จ, จัยมี9้าวาระ สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งเป็นอภยยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักและมักเบื้องบนสามซึ่งไม่เป็นอภยยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอาทิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ 10. อาจยพ า, ามิติกะ หนะะ PDF. parsley, ึ่งปุชละเดีกะสามสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นอกุศลกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิบเอ็ดเศราติกะหนึ่งกุศลติกะสามสิบปดสภาวธรรมที่เป็นของเศขาบุคลซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศขาบุคลซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมคคลลคค ท, ท, ที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้อนอพระเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมทีท่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งเป็นอภิยกฤิต อาศัยจภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นอภพยากฤิเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ สปริตตะตึกกะหนึ่งกุชลาตึกกะสามสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นมหคัตะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคัตะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นมหคัตะซึ่งไม่เป็นอกุศล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 สิปริตารมณติกะหนึ่งกุสลติกะสี่สสภาวธรรมที่มีปริตตาเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตตาเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระสภาวธรรมที่มีปริตตาเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริ ต, เรตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุสลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบสวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี14วาระสภาวธรรมที่ท itation, ไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอพยยากฤิตโดยรมะมณ์ปัจจัยยอ่อรมะมณปัจจัยมี่สบเอ็ดวาระ อาิปติปัจจัยเมีก้าวาระอนันตระปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมียี่สิบเอดวาระอุปะนิสิยปัจจัยมียี่สิบเอดวาระนาตถิปัจจัยมียี่สิบเอดวาระวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระสิบสี่เห็นนาติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นกุศล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 สภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอัพยากฤิตมาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอธิ ป, ปติปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคัตะปัจจัยมีหกวาระสิบห้ามิจตะนิยตติกะะกะหนึ่งกุชละติกกะสี่สิบสอง สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิด และให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอภิญากฤิตราศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระ อธิปติปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระสิบหกมัคคารมณติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบสามสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมีสามสิบห้าวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามสิบห้าวาระไม่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิศสเจอุ ป, ปันนติกะหนึ่งกุศลรติกะสี่สิบสี่สภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยเกิดสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลโดยอารมณะปัจจัยอารมณะปัจจัยมีเจดวาระ อธทิตติปัจจัยมีหกวาระอุปานิสยปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอกุศลโดยระมณปัจจัยระมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอุปานิสยปัจจัยมีหกวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอกพยากฤต เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอภยากฤดโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นอพยากฤดเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอพยากฤดโดยอรมณะปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีเจดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ นิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเจดวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระอตีตติกะเหมือนกับอุปนันติเตสิบเก้อตีตารมณติกะหนึ่งกุศลเตระสีะ่สิบห้าสภาวธรรมที่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุตุปัจจัยมี2สวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี2สวาระสภาวธรรมที่มีเดตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลาาาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเดจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปปาใจัยมี21วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี28วาระ ยีอาชตะตตะกระหนึ่งขุศระตกะสี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคัตตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอาทิตติปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยี่สออาเชตารมณติกะหนึ่งกุศลติกะสี่สิบเจสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระยีส่สิบสองสัญทัศนตึกะหนึ่งกุศลตึกะสี่สิบแปดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้หและกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดข ha. uh, ึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อและถึงอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอภิยกฤิตเป็นมูลมีเจ็ดวาระอาศัยสภาวะธรรมที่มีทุกกะเป็นมูลมีเจ็ดวาระรวมหมวดทุกมูล มีเพียงยีสิอ็ดวาระเท่านั้นเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอธิปติปัจจัยมียีสิบเอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียีสิบเอดวาระ 22. สินิทัสนะเตกะ 2. เวทนาติกะ49สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุค ด, ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 อวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัสนติกะสาวิปากติกะ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นวิปากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิปากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุที่เกิดวิปาก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 อธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึงอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระยี่สิบสองสนิทัสนะตึกะสี่อุปาทินะตึกะห้าสิเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน เป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอรมณะปัจจัยย่ออรมณะปัจจัยมีหกวาระอันันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระอุปาเนสยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระละถึงอัญญามัญญปะปัจจัยมี3วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกลัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทาณนะตืกะห้าสังกิริธาตืกะห้าสิบสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ก nah, ิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ยี่สิบสองสนิทัสนะิดกะหวิตะกะเดกะห้าสิบสามสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารอาศัย ส, สภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 ซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี21วาระอารมณะปัจจัยมี3วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ 22. สนิทสนะเถระ 7. ปีติเถกะ 54. สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรู้ด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจ ok ัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสหรรคดูเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สหรรคดูเบิขาเกิดเคลื่อนเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสอง สนิทัศนะเตระแปทัศนะเตะห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิกดขเผยพระเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้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 ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้งบนสามเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอธิปฏปิปัจจัยมียี่สิบเอดวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระยี่สิบสองสนิทัศนติกะเกทัศนเหตุติกะห้าสิบหก สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค อ, อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึง อ, อวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประห า, ดารด้วยโสดาปติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจมียี่สิเอดวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจมียี่สิเอดวาระ 22. สิบสสนิทัสนะถกะส0อาจยยคามิติึกะห้าสิเจดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศ e ัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได er ้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิเดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมียี่สดวาระ อธิปติปัจจัยมียี่สิบเอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอดวาระยี่สิบสองสนิทนั 11. สนะเตะสิบเอ็ดเศรษาเตระห้าสิบแปดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นของเสขารุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นของเศขารุคคลเกิดเพื่อพระเหตุตัปัจจัยย่อ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 สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นของเศษขับุคคลและอเสขับุคคลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นของเศษขับุคคลและอเศษขับุคคลเกิดขึ้เนเพรา ะ, หาระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอธิปฏิปัจจัยมี21วาระละถึงอวิคตาปัจจัยมี21วาระ